อัทธกถาในมิราชาดกที่สี่พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามะขะเทวราชทรงอาศัยกรุงมิทิลาเป็นที่พิกษาจารย์ทรงปรารบการทำความแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าน่าอัศจรรย์ น, นอในโลกอัเฉรังวะัตะโลกสมิง ดังนี้เป็นต้นเรื่องย่อมีว่าวันหนึ่งพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากเสด็จาริกไปในอัมพวันนั้นในเวลาเย็นทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศแห่งหนึ่งเป็นรมณียสถานทรงใคร่จะตรัสบุราภจอริยาของพระองค์จึงทรงเย้มพระโอษฐ์ท่านพระอานนทเถระกราบทูลถามเหตุที่ ท, ทรงเย้มพระโอษฐ์ จึงมีพระพุทธดำรัสว่าอานนท์ภูมิประเทศนี้เราเคยอาศัยอยู่เจริญชานในการที่เราสเสวยชาติเป็นมะขะเทวราชาตรัส ด, ดังนี้แล้วก็ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวิงวอนเพื่อให้ทรงแสดงจึงประทับนั่งณบวรพุทธาสนะที่ปู่ลาดไว้ทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ ภิกษุทั้งหลายในอดีตการณกรุงมิธิลาแคว้นวิเทหรัฐได้มีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าม ะ, ะเทวราชพระองค์ทรงเล่นอย่างราชกุมารอยู่8 000, 000, ป0 0 0พันปีครองไอสว ร, ร์แ์ดห0พันปีเมื่อเสวยราชเป็นพระราชาธิราชได้8 000, ป0 0 0พันปีมีพระราชดำรัสกับเจ้าพนักงานผู้สามาลาว่า เมื่อใดเจ้าเห็นผมงอกในสีสรระเจ้าจงบอกเราเมื่อนั้นครั้นการต่อมาเจ้าพนักงานภูสามาลาได้เห็นเส้นพระศกงอกจึงกราบทูลแด่พระราชาพระองค์ตรัสสั่งให้ถอนด้วยแหนบทองคําให้วางไว้ในพระหัตถ์ท่าพระเนตรพระศกงอกทรงพิจารณาเห็นมรณะเป็นประหนึ่งว่ามาคล้องอยู่ที่พระนราชมีพระดาริว่า บัตรนี้เป็นการที่จะผนวดจึงพระราชทานบ้านสวยแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาและตรัสเรียกพระเชษฐาโอรสมามีพระดำรัสว่าลูกจงรับครองราชสมบัติพ่อจักบวชพระราชโอรสทูลถามถึงเหตุที่จะทรงผนวดเมื่อจะตรัสบอกเหตุแก่พระราชโอรสจึงตรัสคาถานี้ว่า ผมหอกที่งอกขึ้นบนศีรษะของพ่อนี้นำความหนุ่มไปเสียเป็นเทวทูตปรากฏแล้วคราวนี้จึงเป็นคราวที่โพ่จะบวชครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วก็อภิเสกพระราชโอรสในราชสมบัติและพระราชทานพระโอวาทว่าแม้ตัวเธอเห็นผมหอกอย่างนี้แล้วก็พึงบวชตรัสชนี้แล้วเสด็จออกจากพระนครทรงผนวดเป็นฤาษี จเจริญพรหมวิหารสี่ตลอด 84,000 พปีบังเกิดในพรหมโลกแม้พระราชโอรสของพระเจ้าม ะ, ะเทวราชก็ทรงผนวดโดยอุบายนั้นแหละได้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้ากษัตริย์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระราชาเป็นลำดับมานับได้ 84,000 พองค์ย่อนสององค์ทอดพระเนตรเห็นพระสบหงอกบนพระเศียร แล้วทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันนี้จเจริญพรหมวิหารสี่บังเกิดในพรหมโลกบรรดากษัตรเหล่านั้นกษัตรมีพระนามว่ามคะเทวะบังเกิดในพรหมโลกก่อนกว่ากษัตรทั้งปวงสถิตยอยู่ในพรหมโลกนั่นแหละตรวจดูพระวงของพระองค์ทอพระเนธเห็นกษะัตริ 8, 000, 000, ย์หมื่0พัน 2, องค์ยอนสององค์ผู้บวชแล้วก็มีพระมนักยินดี ทรงพิจารณาว่าเบื้องหน้าแต่นี้วงของเราจัะเป็นไปหรือจักไม่เป็นไปหนอก็ทรงทราบว่าจักไม่เป็นไปจึงทรงคิดว่าเรานี่แหละจักสืบต่อวงของเราก็จุติจากพรหมโลกนั้นลงมาถือปฏิสนธิในพระคันแห่งพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลา การล่วงไปสิบเดือนก็ประสูติจากพระคันของพระมารดาพระราชาตรัสเรียกรามทั้งหลายผู้รู้ทานายมาถามเหตุการณ์ในวันขนานพระนามพระราชกุมารรามทั้งหลายตรวจดูพระลักษณะแล้วกราบทูลว่าพระราชกุมาร น, นี้เกิดแล้วเพื่อสืบต่อวงศ์ของพระองค์ด้วยว่าวงของพระองค์เป็นวงศ์บรรพชิต ต่อแต่พระกุมา น, นี้ไปเบื้องหน้าจากไม่มีพระราชาทรงสดับดังนั้นมีพระดํริว่าพระราชโอรสนี้มาเกิดสืบต่อวงของเราดุดกงล้อรถฉะนั้นเราจะขนานนามพระโอรสนั้นว่าเนมิกุมารทรงดํริชนีแล้วจึงพระราชทานพระนามพระโอรสว่าเนมิกุมาร พระเนมิกุมารนั้นเป็นผู้ทรงยินดีในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและอุโบสถกรรมจำเดิมแต่ทรงพระเยาว์ลำดับนั้นพระราชาผู้พระชนกของเนมิราชกุมารนั้นท้อพระเนตเห็นเส้นพระศกบนพระเสียงหงอกก็พระราชทานบ้านสวยแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรส ทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันนั่นเองเป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าโดยในหนหลังนั่นแลป่ายพระเจ้าในมิราชโปรดให้สร้างโรงทานห้าแห่งคือที่ประตูพระนครสี่แห่งท่ามกลางพระนครหนึ่งแห่งยังมหาทานให้เป็นไปด้วยความเป็นผู้มีพระอัธยาศัยในทานพระราชทานทรัพย์ที่โรงทานแห่งละหนึ่งแสน ทรงบริจาคทรัพย์วัน ล, ละห้าแ 0,000 กหาปณ ะ, ะทุกๆวันทรงบำเพ็ญเบญจศีลเป็นนิจทรงสมาทานอุโบสถทุกวันปักทรงชักชวนมหาชนในการบำเพ็ญบุญมีให้ทานเป็นต้นทรงแสดงธรรมสอนให้ทราบทางสวรรค์คุกคามประชุมชนให้กลัวนรกประชุมชนตั้งอยู่ในพระโอวาทของพระองค์บำเพ็ญบุญมีให้ทานเป็นต้น จุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกเทวโลกเต็มนรกเป็นดุดว่างเปล่าการนั้นมูเทวดาในดาวดึงพิภพประชุมกันณนะเทวสถานชื่อสุธรรมากล่าวสรรเสริญคุณของพระมหาสัตว์ว่าโอพระเจ้าในมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกเราชาวเราทั้งหลายอาศัยพระองค์จึงได้เสวยที่พยะสมบัตินี้ แม้พระพุทธญาณก็มิได้กำหนดแม้ในมนุษยโลกมหาชนก็สรรเสริญคุณของพระมหาสัตว์คุณนกถาแผ่ไปทั่วราวกะน้ำมันที่เทราชลงบนผิวมหาสมุทรฉนั้นพระศาสดาเมื่อตรัสแก่ภิกษุสงทรงทำเนื้อความนั้นให้แจ้งชัดจึงตรัสว่าน่าอัศสจรณ์นหนอในการใดมีพระเจ้าในมิราชผู้เป็นบัณฑิต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 ยะาอะหุความว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดได้มีพระเจ้าในมิราชผู้เป็นบัณฑิตผู้มีพระประสงค์ด้วยกุศลเพื่อพระองค์ด้วยเพื่อชนเหล่าอื่นด้วยเมื่อนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กล่าวคุณนกถาของพระเจ้าในมิราชนั้นอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์เนอที่พุทธญาณยังไม่เกิด ก็มีคนฉลาดสามารถยังพุทธกิจให้สำเร็จแกมหาชนเห็นปานนี้เกิดขึ้นในโลกปาฐะวายะถาอะหุดังนี้ก็มีปาฐะนั้นมีความว่าพระเจ้าในมิราชเป็นบัณฑิตมีพระประสงค์ด้วยกุศลเท่านั้นฉันใดคนฉลาดทั้งหลายก็ฉันนั้นย่อมเกิดขึ้นยังพุทธกิจให้สำเร็จแกมหาชน การเกิดขึ้นของคนฉลาดเหล่านั้นน่าอัศจรรย์ในโลกหนาพระศาสดาทรงเกิดอัศจรรย์เองทีเดียวจึงตรัสอย่างนี้ด้วยประการชนี้คำว่าแก่ชาวิเทหะทั้งปวงสัพพวิเทหานังได้แก่ชาววิเทหรัตทั้งปวงคำว่าอย่างไหนสิกะตะมังสุความว่าบรรดาทานและพรหมจรรย์สองอย่างนี้ อย่างไหนหนอมีผลมากได้ยินว่าพระเจ้าเนมิราชนั้นทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถสิบห้าค่ำทรงเปลื้องราชาพรทั้งปวงบันทมบนพระยี่ผู้มีสิริยังลงสู่นิทรารมตลอดสองยามตื่นบันทมในปัจฉิมยามทรงคูบาลังขัดสมาธิทรงดำริว่า เราให้ทานไม่มีปริมาณแก่มหาชนและรักษาศีลผลแห่งทานมีมากหรือแห่งพรมจริยวาดมีผลมากเนอะทรงดำริชนีก็ไม่ทรงสามารถตัดความสงสัยของพระองมได้